เรื่องสันโดษความยินดีพอใจของของตนความยินดีด้วยของที่มีอยู่ความยินดีโดยสม่ำเสมอ สันโดษเป็นธรรมะข้อหนึ่งที่ได้มีผู้ปรารภกล่าวกันมากทั้งในทางสนับสนุนทั้งในทางค้านสนับสนุนคือส่งเสริมให้มีการปฏิบัติกันค้านคือแสดงว่าไม่ควรส่งเสริมให้มีการปฏิบัติเพราะเห็นว่าเป็นเครื่องขัดขวางความเจริญก้าวหน้าผู้ที่ต้องการจะทราบอธิบายเรื่องสันโดษก็มีมากมีหลายคน ได้แสดงคำแนะนำว่าควรแสดงเรื่องสันโดษให้ทราบทั่วกันอันที่จริงเรื่องสันโดษได้มีสอนกันตั้งแต่นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรีในวัดทั้งหลายทั่วราชอาณาจักรในโรงเรียนเด็กก็มีสอนกันทั่วไปนอกจากนี้ก็มีการแสดงเป็นเทศเป็นปัทกถาเป็นบทความในบางครั้งบางคราวแต่ที่จะให้แสดงเรื่องเดียวกันนี้ทุกวันทุกครั้งไป คงไม่ได้เพราะธรรมะที่จะแสดงมีมากฉะนั้นถ้าต้องการที่จะทราบก็คงจะหาคำอธิบายได้ไม่ยากนักคำแปลสับสันโดดคำว่าสันโดดจากภาษาบาลีว่าสันโตศักแปลว่าความยินดีหรือพอใจด้วยของของตนความยินดีด้วยของที่มีอยู่ความยินดีโดยสม่าเสมอ คำอธิบายสันโดษธรรมะข้อนี้ตามที่พบในที่มาคือพระสูตรทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุเป็นพื้นคำอธิบายจึงเป็นคำอธิบายสำหรับภิกษุซึ่งเป็นผู้สละสิ่งทั้งปวงออกบวชแล้วว่ายินดีด้วยปัจจัยคือเครื่องอาศัยสี่อย่างตามมีตามได้และในบางพระสูตรเช่นอริยวังสิกสูตรอธิบายกว้างขวางออกไปอีก รวมความว่ายินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้กล่าวสรรเสริญความยินดีทั้งนั้นไม่สแสวงหาในทางที่ไม่สมควรเพราะเหตุปัจจัยทั้งหลายไม่ได้ปัจจัยก็ไม่สะดุ้งได้ปัจจัยมาก็ไม่สยบติดเห็นโทษมีปัญญาสลัดใจออกได้บริโภคใช้สอยทั้งไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะสันโดษนั้นขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปะชัญญะ มีสติพินิษิถ้าจะมีปัญหาว่าถ้าเช่นนั้นสันโดษก็เป็นธรรมะสำหรับภิกษุหรือสำหรับบรรพชิตคือผู้บวชเท่านั้นมิใช่สำหรับขรือหัดก็ตอบได้ว่าได้มีที่มาบางแห่งและความหมายที่แสดงไว้บางอย่างแสดงว่าใช้ได้ทั่วไปเช่นหลักธรรมสาหรับตัดสินพระธรรมวินัยแดข้อ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีว่าธรรมะที่เป็นไปเพื่อ 1. กำหนัดย้อมใจ 2. ประกอบอยู่กับทุกข์ 3. สั่งสม 4. อยากใหญ่ 5. ไม่สันโดษ 6. คลุกคลีด้วยหมูนะ่คณะเเกียจคร้าน 8. เลี้ยงยากเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่วินยัย ไม่ใช่คำสอนของพระศาสดาส่วนธรรมะที่เป็นไปเพื่อ 1. ปราศจากกำหนัดย้อมใจ 2. ไม่ประกอบกับทุกข์ 3. ไม่สั่งสม 4. อยากน้อยหรือมักน้อย 5. สันโดษ 6. สงัด 7. ปรารบความเพียร 8. เลี้ยงง่ายเหล่านี้เป็นธรรมวินยัยเป็นคำสอนของพระศาสดา เมื่อสันโดษเป็นข้อหนึ่งสำหรับตัดสินพระธรรมวินัยจึงกล่าวได้ว่าเป็นธรรมะทั่วไปแก่ทั้งบรรพชิตและคารืหัดในมงค ล, ลสูตรที่ตรัสสำหรับเทพและมนุษย์ทั่วไปก็มีสันโดษรวมอยู่ด้วยข้อหนึ่งและอธิบายบางอย่างเช่นในอริยวังสิกสูตรนั้นตามที่กล่าวมาข้างต้นเช่น ไม่สแสวงหาในทางที่ไม่สมควรไม่ได้ก็ไม่สะดุง้งได้ก็ไม่สยบติดเป็นต้นก็พึงใช้ได้สำหรับคฤรพหัดตามสมควรและในข้อท้ายแห่งอริยวงว่ายินดีในการภาวนาคือความอบรมกุศลธรรมให้เกิดขึ้นยินดีในปหานะคือการละอกุศลธรรมกับที่สอนให้ขยันไม่เกียจคร้าน ประจำอยู่ในอริยะวงทุกข้อแสดงว่าเหมาะแก่ทุกฝ่ายและเป็นข้อยืนยันว่าสันโดษไม่ใช่ความเกียจคร้านเลยในที่มาคือพระสูตรบางแห่งสอนตรงๆว่าให้มีอสันตุทิคือความไม่สันโดษในกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายหมายความว่าให้สันโดษแต่ในปัจจัยส่วนในกุศลธรรมอย่าสันโดษ เพราะจะต้องทํากุศลให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอันสอนให้มีความเพียรละความชั่วทําความดีนั่นเองทางที่ควรทําความเข้าใจในคําอธิบายเป็นธรรมดาที่การอธิบายอะไรเมื่ออธิบายแก่ใครก็พึงให้เหมาะแก่บุคคลหรือหมู่บุคคลเช่นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุบริษัทก็ตรัสอธิบายให้เหมาะแก่บริษัทนั้น ฉะนั้นจะใช้อธิบายนั้นตรงตัวอักษรแก่บริษัทอื่นหาได้ไม่จะใช้ได้ก็แต่หลักธรรมะซึ่งต้องนํามาใช้ให้เหมาะแก่ภาวะของบุคคลแต่ละคนหรือบริษัทธรรมะข้อเดียวกันจึงอาจอธิบายได้ต่างกันเช่นสัมมาอาชีวะความเลี้ยงชีวิตชอบสําหรับบรรพชิตการเที่ยวบินธบาทเป็นสัมมาอาชีวะ แต่การทำนาทำสวนค้าขายเป็นต้นเป็นมิจฉาอาชีวะส่วนสำหรับข้ารือหัดการทำนาทำสวนการค้าขายเป็นต้นที่ทำโดยชอบเป็นสัมมาอาชีวะส่วนการเที่ยวบินเถื่เป็นการขอเขาไม่ใช่สัมมาอาชีวะของข้ารือหัดสันโดษก็เช่นเดียวกันมเมื่อใช้สำหรับข้ารือหัดก็อธิบายให้เหมาะแก่ภาวะข้ารือหัด เช่นที่อธิบายไว้ในชั้นอัฏฐกถาในต่อมาความมุ่งหมายของสันโดษแต่ในการที่จะอธิบายนั้นจะต้องทราบความมุ่งหมายจึงจะอธิบายได้ถูกต้องไม่เป็นการที่เรียกว่ากล่าวตูพระธรรมหรือกล่าวตูพระพุทธเจ้าดังเช่นอ้างว่าพระพุทธเจ้า หรือพระพุทธศาสนากล่าวว่าอย่างนั้นอย่างนั้นโดยที่ไม่มีปรากฏว่ามีกล่าวไว้อย่างนั้นในที่ไหนเลยทั้งเป็นการกล่าวผิดทางผิดความมุ่งหมายดังเช่นผิดต่อหลักตัดสินพระธรรมวินัยดังกล่าวมาข้างต้นพระอาจารย์ได้แสดงความมุ่งหมายของสันโดษไว้ว่าสันโดษก็คือความไม่โลภมุ่งหมายเพื่อละบาปเป็นต้นว่าความปรารถนาเกินไป ความปรารถนามากไปความปรารถนาเป็นบาปคือผิดความปรารถนาเกินไปนั้นเช่นความไม่อิ่มในลาบของตนปรารถนาลาบของผู้อื่นความปรารถนามากไปนั้นเช่นบรนพชิตใครจะได้ปัจจัยสี่ยิ่งยิ่งขึ้นไปมากหรือคข้ือหัดใครจะได้รูปเสียงเป็นต้นที่น่าใครน่าปรารถนาน่าพอใจยิ่งยิ่งขึ้นไปมากมาย อีกอย่างหนึ่งความประกาศตัวอวดอ้างคุณที่มีอยู่และความไม่รู้ประมาณในการรับเรียกว่าความมักมากก็ได้ความปรารถนาเป็นบาบนั้นเช่นความประกาศตัวอวดอ้างคุณที่ไม่มีอยู่และความไม่รู้ประมาณดังกล่าวในข้อมักมากความปรารถนาที่มีลักษณะดังกล่าวมาทั้งหมดเป็นอาการของความโลภที่เป็นมูลเหตุอกุศล หรือเหตุทุจริตทั้งปวงสันโดษเป็นธรรมะที่กำจัดความโลภหรือความปรารถนาดังกล่าวบุคคลทุกคนไม่ว่าเขาฤ ห, หัสหรือบรรพชิตถ้าขาดสันโดษก็เต็มไปด้วยความโลภหรือความปรารถนาดังนั้น